พวกภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคุมุธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคุมุธากล่าวอวดอุตริมนุสธรรมของกันและกันแก่พวกขรหัสในปาราชิกสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติไม่มีอนุปปณะบัญญัติ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 ปาราชิกสิกขาบทสี่สิกขาบทจบ